มงกุฎไพรเล่มสามตอนที่201หนึ่งเมยาณีนิง่งขนาดจิตต่อมานางได้เผยรอยแย้มสวนออกมานิดหนึ่งและเหมือนจะเป็นการแรงประวิงเวลาให้เนิ่นนานออกไปอีกโดยทิ้งเป็นแววปริศนาให้ฝ่ายอาคันตุกะทั้งหลายต้องอยู่ในภาวะร้อนรุ่มกระสับกระส่ายนางเอื้อมหัดไปหยิบภาชนะโลหะขนาดย่อมอันมีลักษณะคล้ายๆกระติกบรรจุน้ำ ซึ่งติดอยู่ข้างอานม้าที่ประทับอยู่ยกขึ้นมาเปิดฝาและกรอกดื่มช้าๆแก้กระหายเมื่อนั้นเองทุกคนของฝ่ายอาคันตุ ก, กะทั้งหมดก็เห็นรพินไพยวันก้าวลงจากหลังม้าด้วยอาการปกติธรรมดาที่สุดของเขาพลางเดินตรงไปยังขั้นบันไดหินอันเป็นหนทางนำขึ้นสู่มหาเทวไลและขณะที่เดินผ่านหน้าอรชุนผู้ยืนสงบอยู่ก็เอื้อมมือไปคว้าแขนขุนพลผู้เท่า จูงมืออย่างคนคุ้นเคยสนิทให้เดินเคียงคู่ไปด้วยกันซึ่งอรชุนก็เดินตามไปด้วยโดยไม่มีปฏิกิริยาอื่นใดทั้งสิ้นท่ามกลางความเงียบสนิทและหยุดนิ่งอยู่กับที่ของทุกคนท่านพรานสุรเสียงเนิบๆของนางพญามรากลนครดังทักขึ้นพระพินหันกลับมาขณะนั้นเขาได้ก้าวขึ้นไปยืนอยู่ขั้นบันไดที่เจ็ เกือบจะถึงชานหินปากทางเข้าแล้วนั่นท่านกำลังจะไปไหนถ้าทรงคิดว่าข้าพระองค์จะเข้าไปเพื่อเห็นแน่แก่ตาตนเองว่าแง่ทรายกำลังทำอะไรหรืออยู่ในภาวะใดภายในสุสานแห่งนี้ล่ะก็ทรงเข้าพระทัยผิดถนัดเพราะข้าพระองค์ไม่ได้สนใจอะไรกับไอ้เจ้าอดีตคนใช้จอมกระล่อนคนนั้นหรอกแต่เมื่อมาถึงที่นี้แล้ว ก็อยากจะได้เข้าไปนมัสการพระมหาอุมาเทวีที่ทรงประทานความปรานีให้พวกข้าพระองค์หวนกลับมาเหยียบดินแดนนี้ได้อีวาระหนึ่งกับจะถือโอกาสเข้าไปเคารพศพของท่านกุตมะสหายเก่าซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในสุสานแห่งนี้ด้วยพรานใหญ่ตอบมาเรียบเรียบหน้าตาเฉยเมยานีทรงสำลักน้ำที่กรอกดื่มอยู่แล้วสวนคิกออกมานิดหนึ่ง แขวนภาชนะบรรจุน้ำดื่มประจำมา้าลงไว้ข้างๆอ่านตามเดิมก้าวลงจากหลังมา้าทรงดำเนินตรงมาที่ดารินพรางส่งหัดไปให้เมื่อเห็นดารินยังกระพริบตางงๆต่อเหตุการณ์อยู่เช่นนั้นนางก็คว้าข้อมือของนายหญิงพร้อมกระชากเบาๆดารินอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งมีอาการเหมือนจะร่วงลงมาเมยานีอุ้มรับเอาไว้ด้วยข้อลาอันแข็งแรง จุมพิษที่แก้มหญิงสาวเบาๆพรางบรรจงวางลงกับพื้นดวงตาของนายหญิงน่ากลัวเหลือเกินจ้องเหมือนจะมองให้ทะลุเข้าไปให้ถึงหัวใจของเมยานีนั่นแหละอย่าได้คลางแคลงสงสัยอะไรเลยกล่าวเช่นนั้นแล้วนางก็หันไปรับสั่งกับคณะทุกคนด้วยสุรเสียงอันดังว่าขอเชิญทุกท่านที่มาพร้อมกันอยู่ณที่นี้แล้วลงจากหลังม้าและตามข้าเข้ามาเถิดเชิญ สมเด็จพระเจ้าจั ก, กราชที่ราชทรงประทับรอคอยทุกคนอยู่แล้วระหว่างที่ทุกคนซึ่งกำลังมีหัวใจอันเต้นระทึกได้พากันถอนใจออกมาได้อย่างโล่งอกและพากันก้าวลงจากหลังมา้าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของเชษฐาหรือฝ่ายของสแตนลีย์ดารินผู้ซึ่งขณะนี้เมยานียังจับแขนของหล่อนอยู่ก็กระซิบออกมาเบาที่สุดว่าขี้เล่นนักหนาเรา นี่ถ้าไม่คิดว่าอยู่ต่อหน้าเหล่าทหารข้าราชบริพารทั้งหลายฉันจะหยิกให้เนื้อเขียวทีเดียวใจหายใจคว่มหมดแล้วเจ้าประคุณเอ๋ยนี่กลายเป็นว่าตาพรานรพินนั่นรู้เท่าทันเธออยู่คนเดียวนอกจากนั้นพากันโง่หมดเมยานีสวนสรรร่าเริงเป็นปกติเหมือนเดิมระหว่างที่ทุกคนกำลังยืนชุมนุมรวมกลุ่มกันอยู่ และทางด้านรพินกับอรชุนก็มีอาการเหมือนจะยืนรอคอยอยู่บนชานหินด้านบนกลุ่มของสแตนร์ลีก็เข้ามารวมอยู่กับกลุ่มของเชษฐารวมทั้งพวกลูกหาบทั้งสองฝ่ายด้วยซึ่งก็ได้รับอนุญาตให้เข้าไปได้ทั้งสิ้นในระหว่างที่ทหารหลวงทั้งหมดยังวางกำลังกันอย่างเป็นระเบียบเต็มบริเวณด้านหน้า ราชนีแห่งมรกรนครคงจูงมือดารินโดยไม่ยอมปล่อยอยู่เช่นนั้นแล้วโบกหัดเป็นสัญญาณให้ทุกคนก้าวตามนางไปพร่างก็ดำเนินจูงมือนายหญิงให้ก้าวเขียงคู่ขึ้นไปด้วยทั้งหมดก้าวตามขึ้นไปเป็นขบวนแม้จะเดินรวมกลุ่มกันไปแต่ฝ่ายของสแตนลีย์ก็ยังคงอยู่ในชุดของพวกตนโดยเฉพาะยังไม่มีโอกาสที่จะได้พูดจากับฝ่ายของเชษฐาได้มากนัก แต่ละคนของชุดสแตนลี่อันเป็นผู้ที่เพิ่งจะได้มาพบเห็นเป็นครั้งแรกล้วนใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดเท่าที่มีอยู่สำรวจตรวจตราต่อสิ่งที่ได้พบเห็นอย่างพินิษพิจารณาและด้วยความระมัดระวังตนขีดสุดต่างกับฝ่ายของเชษดถาซึ่งคุ้นเคยต่อสถานที่มาก่อนแล้วในอดีตคริสและเวลจับคู่กันอยู่ใกล้ชิดโดยมีคีทและเชิดวุฒประกบอยู่ข้าง ส่วนด้านหลังก็มีบุญคำเกิดจันและเสยเดินตามหลังเหมือนจะได้รับคำสั่งจากรพินไว้ก่อนแล้วว่าให้คอยเป็นกำลังใจให้ความอบอุ่นแก่นายจ้างไว้ตลอดเวลาโดยไม่ให้พระห่างออกมาก่อนในระยะนี้คงมีแต่ตัวหัวหน้าคณะคือด็อเตอร์สแตนลีย์เท่านั้นที่เดินเคียงไหลยไปกับเชษฐาและกระซิบถามอะไรต่ออะไรเท่าที่โอกาสจะอานวยให้ ส่วนใหญ่ของทุกคนยังอยู่ในภาวะสงบปากคำไม่พูดอะไรกันโดยไม่จำเป็นและทางฝ่ายของมรกรนครนั้นนอกจากเมยานีกับขุนพลเท่าอรชุนอันเป็นบิดาแล้วก็หาได้มีบุคคลอื่นใดติดตามเข้ามาด้วยทั้งสิน้นระพินผู้ซึ่งยืนรอคอยคณะทั้งหมดอยู่บนลานหินพร้อมกับอรชุนได้หลีกทางให้ เมื่อเมยาณีดำเนินจูงมือดารินนำลำหน้าคณะทั้งหมดขึ้นมาและดูเหมือนจะรอคอยตามหลังปิดท้ายเข้ามาเป็นคู่สุดท้ายเมื่อย่างผ่านปากทางเข้ามาหาเทวะลัยอันเย็นครึม้มมืดสลัวซึ่งมีแต่เพียงแสงคบเพลิงที่จุดเพราอยู่ตามผนังหินรอบด้านเท่านั้นที่ให้แสงสว่างวอมแวมอยู่ในขณะนี้นับบริเวณห้องโถงอันกว้างใหญ่ อันเป็นที่ประทับของเทวรูปพระมาหาอุมาเทวีแกะสลักด้วยหินภูเขาทั้งลูกราชินีเมยานีนำคณะทั้งหมดถวายสักการะบูชาต่อพระแม่เจ้าผู้สถิตทมึนอยู่ตรงานเงื้อมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองเท่าที่รอดพ้นพยันตรายทั้งปวงจนสามารถล่วงล้ำเข้ามาเหยียบแผ่นดินนี้ได้อเมริกันทั้งหมดนั้น ครั้งแรกก็เพียงแต่พากันยืนสงบนิ่งและก้มศรีรษะลงโค้งคำนับต่อเทวรูปเทว่าเมื่อระพินถือทูปเข้ามาแจกให้จนทั่วทุกคนและมองเห็นฝ่ายเช่ดท้ากับพวกลูกหาบทั้งหมดก้มลงหมอบกราบกับพื้นจึงพากันปฏิบัติตามด้วยกริยาอันแก้งก้าง ดารินนั้นไม่เพียงแต่จะบูชาด้วยทูปเท่านั้นหลอนนั่งพับเพียบ พ, พนมมือเหมือนจะส่งกระแสจิตขอบพระทัยต่อมาหาอุมาเทวีในทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นความในใจของหล่อนเองที่ไม่มีใครล่วงรู้กราบแล้วกราบเล่าแล้วเดินไปหยิบกํายานในถาดใหญ่โปรยปลายลงไปในกระถางเพลิงหน้าแท่นของเทวรูปทรงประกายลูกสว่างโรดขึ้น พร้อมกับส่งกลิ่นหอมหวนอบอวลตรบไปทั่วประมาณสิบนาทีหรือกว่านั้นเล็กน้อยที่คณะผู้มาเยือนได้มาสักการะบูชาต่อองค์พระศรีมหาเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ประจำแผ่นดินเมยานีก็นำคณะทั้งหมดเคลื่อนต่อไปยังทวารด้านหลังเทวรูปเพื่อเข้าสู่ห้องอันเป็นมหาสุสานของราชวงศ์เทพ ห่างออกไปจากที่ทุกคนได้เข้ามายืนสงบนิ่งจ้องตะลึงด้วยสายตาอันเบิกกว้างเขม็งอยู่ในขณะนี้ประมาณเจถึง8ดวาร่างหนึ่งประดิษฐานอยู่บนแท่นหินในลักษณะขัดสมาธิเพชรชิดผนังถ้ำภายในสเสวทภูษาที่ห่อพันกายในสภาพของสมณพราหมณ์สีขาวของผ้าที่ห่อกายนั้น แะดูสว่างเรืองรองในบรรยากาศอันมืดสลัวเหมือนอาบด้วยฟอสฟอรัสมือทั้งสองวางซ้อนแบงหงายอยู่บนตักร่างกายเยียดยืนตรงนิ่งเหมือนรูปสลักของศิลาหรือมิฉะนั้นข้อภาพปั้นเป็นสิริลักษณ์ของมนุษย์บุรุษ ช, ชายผู้มีทั้งสรีระและส่วทรงของใบหน้างามสง่าหมดจดประดุจราชบุตรแห่งเทพเจ้าดวงตาทั้งคู่ปิดสนิท แสงภายในคูหาถ้ำนั้นไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่ามาจากที่ใดทุกคนทุกแห่งมันล้วนสลัวมัวมนและมีเปลวไฟลุกพลมแพลมอยู่ในเฉพาะกระถางเพลิงขนาดใหญ่ที่ต่ำระดับลงมาจากแท่นนั้นบ้างเล็กน้อยเท่านั้นแต่ที่เรือนร่างอันนั่งสมาธินิ่งอยู่นั้นมีรังสีเรืองขาบเข้มเหมือนจะสาดส่งออกมาจากหลืบของผนังศิลาทั้งสองด้าน แผรร่างๆเข้ามาจับอยู่ที่ร่างนั้นรวมทั้งประกายแสงที่ดูเหมือนจ ะ, ะเกิดขึ้นจากเรือนร่างและวงหน้านั้นด้วยซึ่งบางขณะมันก็โชดแสงเรืองโรดขึ้นมาแล้วบางขณะมันก็หรี่สัลัวมัวจางลงสลับกันอยู่เช่นนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์ทุกคนของฝ่ายเชื่อาอยากจะร้องตะโกนทักออกมาว่าแงซายแต่เหมือนถูกสะกด ไม่มีผู้ใดที่สามารถจะเปล่งเสียงออกมาได้ในขณะนั้นเงียบที่สุดของความเงียบปกคลุมณสถานที่นี้ส่วนของทุกคนฝ่ายด็อร์สแตนลีย์ก็อยู่ในภาวะตะลึงได้แต่จ้องไปยังภาพนั้นตามไม่กระพริบบรรดาพลานพื้นเมืองและลูกหาบทุกคนก็แทบจะไม่มีใครหายใจอยู่ในขณะนี้นอกจากร่างในชุดขาว ที่นั่งนิ่งโดดเด่นเป็นจุดสว่างท่ามกลางความมืดรอบด้านอยู่บนแท่นหินนั้นแล้วไม่มีสิ่งอื่นใดอยู่ยังแท่นตำแหน่งนั้นอีกเลยเป็นแท่นหินสีดําล้วนมีขนาดความกว้างประมาณหนึ่งวาและยาวสามวาระหว่างที่ทุกคนเหลือบแย่ไปเห็นและเหมือนจะถูกสะกดให้นิ่งอยู่กับที่ขยับขยื้อนยังไม่ได้อยู่ในขณะนี้นั้น ราชนีเมยานีและขุนพลออรชุนได้ก้าวลำหน้าทุกคนออกไปพร้อมทั้งย่อกายลงคุกเขา่าถวายสักการะและนิ่งอยู่ในท่าคุกเข่านั้นเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าใดไม่มีใครบอกได้รพินไพรวันเองขณะนี้ก็จ้องเขมงไปยังร่างนั้นอย่างพิเคราะห์นอกจากเมยานีหรือออรชุนอันเป็นบุคคลของแผ่นดินแห่งนี้แล้ว ดูเหมือนจะมีเขาเพียงคนเดียวที่สติสัมชัญญะยังอยู่กับกายครบถ้วนเพียงแต่ว่าสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหวหรือกระตกกระตากใดๆขึ้นทั้งสิ้นปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเปิดเผยพฤติการขึ้นเองขณะจิตต่อมาท่ามกลางความสงบเงียบที่แผ่ซ่านครอบคลุมบริเวณไว้หมดสิ้นนี้ในครองจักสุ ข, ของทุกคนมองเห็นพร้อมกันหมดในปรากฏการณ์อันประหลาดลี้ลับ ทั้งๆ ท, ที่ดวงตาทุกคู่ยังเบิกโพรงอยู่ในขณะนี้เงารางๆชนิดหนึ่งก่อรูปขึ้นทางหลืบหินด้านซ้ายของแท่นนั้นเป็นเรือนร่างของชายในชุดเสื้อแขนกุดเสมอไหลชายเสื้อสั้นสีดำและกลางเกงครึ่งแข้งสีดำเช่นกันหน้าผากคาดไว้ด้วยผ้าแดงไหลซ้ายสะพายย่ามไหลขวาสะพายไรเฟิลแบบคานเวียง เป็นภาพที่เหมือนจะฉายออกมาจากเครื่องฉายภาพยนต์ที่ยังตั้งเลนโฟกัสไม่ได้ที่มีสภาพเบาบางและลอยเงาประหลาดชนิดนี้ได้เคลื่อนคล้อยเช่มช้าใกล้ร่างในชุดขาวที่นั่งสมาธินิ่งอยู่นั้นทีละน้อยตามลำดับใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาในที่สุดก็ลอยมาทับอย่างร่างที่นั่งอยู่และสลายวับไปหน้าบัดนั้น บตดดลร่างในชุดขาวที่นั่งอยู่ก็มีอาการเคลื่อนไหวขึ้นเป็นครั้งแรกในลักษณะเหมือนจะสูดลมหายใจลึกและผ่อนระบายออกพร้อมกันดวงตาที่ปิดสนิทอยู่ก็ค่อยๆขยายเปิดขึ้นจนกระทั่งในที่สุดก็ลืมสว่างขึ้นเต็มที่ในพระนามแห่งสิวะมาหาเทพและสีมาหาอุมาเทวีขอต้อนรับทุกท่านยังแผ่นดินเหนือพิภพโลกแห่งนี้ กระแสเสียงทุ้มลึกกลางวันกล้องไปทั้งคูหาหินดังปราศัยทักถ่ายมายังทุกคนอันยืนเรียงรายอยู่ยังไม่มีใครตื่นจากพวังตะลึงหรือกระดิกกายได้หน้าที่ใดที่หนึ่งอันเป็นตำแหน่งขุนเขาจรดขอบฟ้าสิ่งอันเป็นยอดปรารถนาของเหล่าท่านทั้งหลายสุดแต่ผู้ใดจะปรารถนาในสิ่งใดได้รอคอยอยู่แล้วดินแดนแห่งนี้ เรียกร้องเหล่าท่านให้บายหน้ามุ่งมาและบัตรนี้ทุกท่านก็ได้มาถึงแล้วน้ำเสียงกล้องกังวานนั้นได้กล่าวมาอีกพร้อมทั้งอาการขยับตัวยกมือทั้งสองขึ้นจากตักและค่อยๆลุกขึ้นยืนสูงตระ n ง g a เต็มส่วนสัตว์ริมฝีปากเป็นแนวรูปกรีบกระจับนั้นสยายยิ้มออกไปน้อยน้อยและดวงตาทั้งคู่เป็นประกายใสยสว่างพลางก็ก้าวลงมาจากแท่น ยืนอยู่อย่างพื้นเดียวกันกับทุกคนผู้กองระพินแงสายเรียกท่านขอได้โปรดก้าวออกมาพบผมก่อนเดี๋ยวนี้ระพินไพรวันก้าวลำออกไปเผชิญหน้าเคลื่อนเข้าไปหยุดยืนห่างจากร่างนั้นประมาณหนึ่งวาแล้วชิดเท้าตรงยกมือขึ้นวันทยาหัดจั ก, กรราชขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ บุรุษในชุดขาวนับบัดนี้ยิ้มจนมองเห็นรายฟันสองแถวสั่นศรีรษะไปมาแช่มช้าตรงนี้เดี๋ยวนี้ยังไม่มีจักรราศมีแต่งแง่ทรายจอมกะล่อนของผู้กองเรายังไม่จำเป็นจะต้องเล่นยี่เกกันก่อนตอนนี้แง่ทรายผู้กองผู้ไม่น่ารักของผมในที่สุดก็เจอหน้ากันจนได้ พริปตานั่นเองอดีตร้อยตํารวจเอกตะเวนชายแดนไทยและอดีตร้อยโทกองจนกระเรี่ยงก็โผเข้ากอดกันแน่นเสียงแงทรายหัวเราะลั่นไปหมดสนั่นไปทั้งคู่หาหินแห่งนั้นทั้งคู่ต่างหัวเราะให้แก่กันในขณะที่ต่างฝ่ายต่างน้ําตาคลอเบ้ารถพินดันไหลแงทรายให้ห่างออกไปแล้วฉกหมัดต่อยเชียวปลายคางเจ้าอดีตกะเรี่ยงผนจรเอ็นหน้าหลบไปได้ จับหมัดข้างนั้นของเขาไว้พร้อมทั้งหัวรอกกากาใหญ่แล้วทั้งสองก็สวมกอดกันอีกไอเวนแงซายในที่สุดแกก็หาอูบายดึงดูดจิกหัวฉันให้ย้อนกลับมาที่นี่จนได้ร้ายกาจจริงๆแกนี่ระพินพูดเร็วปรืออย่างปิติโสมนัดจนลืมตัวไปชั่วขณะฮ่าๆาถ้าผมไม่ทำอยู่ในขณะนี้ผู้กองก็มงง ม, มางาราโง่เซ่อบ้าอยู่นั่นแหละ ไม่มีวันได้ฉลาดสมหวังกับเขาสักทีรางวัลชีวิตอันยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้กองมองกุฎไพรของผู้กองอยู่ที่นี่แผ่นดินมรกตนครแห่งนี้คงจะตาสว่างขึ้นแล้วสินะพรานใหญ่หัวเราะทั้งหยาดน้ำตาจับต้นแขนแง่สายแน่นแล้วพยักหน้าถูกต้องแง่สายฉันหมันไอโง่เซอร์บ้ามานานแล้วทั้งกับแกและกับทุกคน โดยเฉพาะกับคนที่ฉันรักก็ยิ่งโง่เซ่อบ้าหนักขึ้นไปอีกตอนนี้ฉันตาสว่างหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วและขอบใจมากขอบใจจนสุดชีวิตไอ้น้องชายฉันรู้มานานแล้วว่าแกรักฉันจริงแกเป็นมหามิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันอย่างที่จะหาไม่ได้อีกแล้วไม่ว่ากี่ชาติกี่ภพกล่าวพลางระพินก็ส่งมือไปให้แงาซายจับ ทั้งสองชายประสานมือกันบีบแน่นและเขย่าโดยแรงอดีตร้อยโทรกองโจรกระเรียงคู่ปรับเก่ายิ้มพลายอย่าลืมกราบบูชาพระคุณเจ้ามหาฤาษีโกธัญะด้วยท่านเปรียบเสมือนดาวเทียมที่คอยช่วยเหลือส่งกระแสจิตของผมถ่ายทอดไปถึงผู้กองทำให้ผมส่งข่าวถึงผู้กองได้ตลอดเวลา ถ้าไม่ได้สถานีส่งผ่านดาวเทมของท่านต่อให้ผมมานั่งบำเพ็ญศีลภาวนาเพื่อส่งจิตไปช่วยเหลือผู้กองอย่างไรผมก็คงจะทำไม่สำเร็จหรอกคงถึงวาระที่จะพ้นเคราะ์พ้นโศกเสียทีแล้วนะผู้กองเอาละ อะไรต่ออะไรเรารู้กันดีอยู่สองคนแล้วคงไม่ต้องมาพูดอะไรกันมากในเรื่องนี้เอาไว้ว่างๆค่อยมาคุยกันเองทีหลังตอนนี้ผมอยากจะได้ทักทายกับอดีตเจ้านายเก่าและเพื่อนพ้องพรรคพวกของผมทุกคนรวมทั้งฝ่ายนายจ้างคณะใหม่ของผู้กองด้วยผู้กองเห็นจะต้องทําหน้าที่เป็นผู้แนะนําหน่อยเรามากันมากมายหลายคนเหลือเกินว่าแต่แกอยากจะพบใครเป็นอันดับต่อไปละ่ะ ทุกคนล้วนคิดถึงมีใจจดจ่ออยู่กับแกทั้งนั้นโดยเฉพาะนายเก่าและเพื่อนเพื่อนพรานทั้งหลายผมขอพบนายหญิงดารินหรือพี่สาวของผมก่อนครับขออนุญาตแง่ายพูดยิ้มยิ้มมองด้วยประกายตาแจ่มใสไปยังกลุ่มใหญ่ที่ยืนกันอยู่ดารินวราริต วิ่งทลาออกมาในทันทีนั้นพร้อมกับร้องตะโกนเรียกนามอดีตองคารักประจำตัวของหล่อนลั่นแงซ า, ายโอแงซ า, ายฉันอยู่นี่และโดยอาการอันปิติปราบปรื้มจนสุดที่จะระงับสิ่งใดไว้ได้ดารินวิ่งปาดเข้ามาหาพลางโถมกายเข้ากอดคอร่างอันสูงใหญ่ตะงานงามนั้นทั้งตัวเหมือนเด็กๆ็ก อดีตแงซายช้อนโอบ ก, กายของนายหญิงลอยขึ้นในอ้อมแขนพร้อมกับโยนลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วรับไว้ในอ้อมแขนทั้งสองระหว่างที่หัวเราะห้าวกระหึ่มอยู่ในลำคอจากนั้นจึงค่อยๆบรรจงวางร่างของนายหญิงลงกับพื้นลอนอยู่ในอาการที่เรียกว่าลิงโลดหรือที่จะกล่าวได้คงกอดคอแงซายแน่นอยู่เช่นนั้นและล่ำละลักพูดสับสนรัวเร็วจนฟังแทบไม่ได้สับแงซาย เจ้าน้องชายของฉันฉันดีใจจนบอกไม่ถูกแล้วที่ได้มาเห็นเธออีกครั้งภายหลังจากร้อนใจโกรนกระวายอยู่นับสิบชั่วโมงตั้งแต่เหยียบเข้ามาถึงดินแดนนี้อดีตร้อยโทรกองโจรกรเรียงหรือองค์คารักคู่ใจของหลอนก้มศรีรษะลงโค้งคำนับอย่างสุภาพอ่อนโยนเหมือนสมัยที่ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นคนรับใช้ประจาคณะอยู่ครับผมนายหญิง แง่ทรายตระหนักได้ดีที่สุดในความระลึกถึงและห่วงใยของนายหญิงและทุกท่านที่มองไม่เห็นแง่ทรายทันทีที่เหยียบขึ้นกลางถนนพระศิวะเดี๋ยวนี้มเมฆหมอกแห่งความพิสวงสงสัยทั้งมวลก็ได้คลี่คลายลงแล้วแง่ทรายมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาปฏิบัติตนบำเพ็ญศีลภาวนาทำกายใจให้บริสุทธิ์อยู่ภายในสถานที่นี้เพื่อใช้อานาจจิตตานุภาพ โดยขอบา ร, รมีต่อศิวะเทพและมหาฤาษีโกธัญญะติดต่อส่งข่าวไปยังผู้กองรพินและนายหญิงชากจูงโน้มนำให้ทั้งสองท่านบายหน้ามาที่นี่ให้จงได้และแงาซายก็ได้กระทำสำเร็จผลลงแล้วทุกประการแงาซายปิติใจที่ได้เห็นทุกคนในแผ่นดินนี้พร้อมหน้าทุกฝ่ายในสภาพที่ปลอดภัยทุกประการสมกับจิตที่มุ่งมั่นภาวนาไว เสียงตอบนั้นดังกังวานทุม้มได้ยินทั่วไปถึงอย่างทุกคนที่ชุมนุมอยู่หน้าสถานที่นั้นจากริมฝีปากรูปงามที่ละไมไปด้วยรอยยิ้มดวงตาคมลึกเป็นประกายของบุรุษนั้นบัดนี้มองผ่านไหลของดารินผู้กำลังพูดอะไรเร็วปริ้ดอยู่กับเขาเหมือนจะรับความสนใจจากนายหญิงไว้ชวั่วคราวก่อน โดยนเป็นยังกลุ่มของเชฐษฐาและอันเนื่องจากที่ดารินยังยืนขวางอยู่เบื้องหน้าเขาจึงเอื้อมมือหนึ่งไปจับมือรพินไว้อีกมือหนึ่งเอื้อมไปจับมือนายหญิงนำให้มือของทั้งสองฝ่ายให้มาพบกันต่อหน้าโดยมีมือของตนเองกลุ่มประสานทับไว้เบื้องบนและตบเบาๆเหมือนจะเป็นการปลอบขวัญเหมือนจะเป็นการแสดงความไนยะแห่งเจตนาลึกซึ้งภายในของตนเอง ที่จะให้มือทั้งสองฝ่ายประสานกันอย่างมั่นคงแนบแน่นตลอดไปจนชั่วชีวิตดับของแต่และฝ่ายชนิดที่จะไม่มีพลัดพลากแยกจากกันอีกแล้วกล่าวออกมาเบาๆต่อไปว่าขอให้พี่สาวและพี่ชายของแง่ทรายจงยืนเคียงคู่กันอยู่ตรงนี้ก่อนแง่ทรายยังมีภาระที่จะต้องเข้าไปเคารพเจ้านายเก่าและทักทายเพื่อนร่วมตายในอดีตให้ทั่วหน้าเสียก่อน สิ้นประโยชน์เพียงแค่นั้นเจ้าอาดีตรกระเหี่ยงพเนจรก็เป็นฝ่ายก้าวตรงเข้าไปที่แช่ถาชัยยันอนุชาซึ่งยืนเรียงรายไปหน้ากระดานกันอยู่และวก่อนที่คนเหล่านั้นจะทันเคลื่อนไหวปฏิบัติอย่างไรแงาทายก็ก้มลงประคองจับมือของพี่ชายใหญ่แห่งราชสกุลวราริตขึ้นมากุมไว้ด้วยมือทั้งสองข้างของเขาคงจะไม่ต้องให้แงาทายระบายถึงความรู้สึกในขณะนี้นะครับ ว่ามีความรู้สึกเช่นไรที่ได้พบเห็นนายใหญ่และพวกท่านทุกคนความจริงแง้ายเตรียมกายเตรียมใจไว้พร้อมแล้วนับตั้งแต่ทราบว่าพวกท่านเหยียบขึ้นถนนพระศิวได้สาเร็จแต่ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องอยู่ในสภาวะเข้ายานตั้งสมาธิต่อไปจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยครบสิ้นเหมือนเช่นบัตรนี้ และยามที่พวกท่านทั้งหลายได้ก้าวเข้ามาจนถึงตำแหน่งที่แงซายบำเพ็ญญาญอยู่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะต้องตื่นเต้นจนจนพูดอะไรแทบจะไม่ออกเชษฐายิ้มออกมาอย่างโสมนัสขีดสุดโอกอดอดีตคนรับใช้เก่าไว้แน่นพูดอะไรไม่ออกไปนานนอกจากตบหลังแงซายอยู่หนักหน่วงแล้วก็พูดออกมาว่า ฉันก็พูดอะไรไม่ถูกเหมือนกันแงซายมันตื้นตันไปหมดแล้วตอนอื่นๆบางทีฉันอาจจาสับสนไปหมดระหว่างฉันกับแกในอดีตชีวิตที่เราร่วมกันมาแต่จำแม่นยำได้อย่างเดียวคือตอนที่แกถ่ายเลือดให้แก่ฉันเพื่อเปิดโอกาสให้แกบุคคลอื่นๆเชิดากล่าวเสียงเครือสันเพียงแค่นั้นก็รีบพละหางออกมา แล้วแงซ า, ายก็หันไปทางคุณชายอนุชาผู้ซึ่งยื่นมือออกมาให้จับอดีตกระเหลี่ยงพระเนจรดึงเอาอนุชาก็ามากอดไว้แน่นกล่าวทุ้มต่าถ้าคุณชายกลางไม่มาถูกทรราชจับกลุ่มขังทรมานอยู่ที่นี่ผมคงไม่มีโอกาสได้กลับมากู้บัลลังค์คืนคุณชายกลางยังเป็นนักเดินป่าที่เก่งกล้าสามารถอยู่เหมือนเดิมไม่น้อยหน้าพรานใหญ่รพินไพยวันเลย ผมรู้สึกเป็นสุขยิ่งกว่าครั้งสามารถกู้ราชบัลลังก์กลับคืนมาได้ในครั้งนั้นเสียอีกในการที่จะได้พบได้เห็นเจ้านายมิตรสหายเก่าในครั้งนี้แกยังเป็นคนน่ารักเหมือนเดิมให้ตายเถอะฉันไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะได้มีโอกาสหวนกลับมาที่นี่อีกถ้าไม่ใช่เพราะน้องสาวของฉันถูกกระแสจิตอันเต็มไปด้วยอนุภาพของแกเข้าครอบงำชักพามา นายหญิงของแกเป็นคนนำทางมาในครั้งนี้ไม่ใช่ฉันหรอกฉันและทุกคนฝ่ายเราเพียงแต่ตามเข้ามาทั้งนั้นอนุชาวราริศกล่าวปนหัวเราะแช่มชื่นกับชัยยันแงาสายหันไปจ้องหน้ายิ้มยิ้มแล้วทักว่าตื่นจากตะลึงเสียทีสิครับนายทหารท่านไม่ได้ฝันไปผู้ที่ยืนอยู่เบื้องหน้าของท่านขณะนี้ คือเจ้าแงซายคนเดิมแน่นอนท่านควรจะกอดผมให้แน่นและควรจะแน่นกว่านายแหมมมาเรียที่ท่านเคยกอดมาแล้วเสียอีกสำหรับอดีตคนใช้เจ้าเล่ห์ของท่านคนนี้เฮ้ยเ <c oughs> งซายนี่นายแน่หรือชั ย, ยันพูดตะกุกตะกักออกมาน้ำตาซึมออกมานายทหารเป็นคนติดระเบิดร่วมกับผู้กองรพินแงซรายเป็นคนยิงธนูที่ติดระเบิดเหล่านั้น เมื่อทบทวนได้ถูกต้องเช่นนี้คงไม่ใช่แง่ายตัวปลอมกระมังครับโอยดีใจจริงโวยแง่ายจริงๆนั่นแหละอดีตนายทหารปืนใหญ่ร้องลั่นออกมาแล้วกระโดดเข้ากอดอดีตคนใช้ของคณะเดินทางในครั้งนั้นโวยวายไอ้ะลั่นไปหมดแง่ายหัวร้อมเบาๆอย่างเป็นสุขขอแสดงความยินดีด้วยครับที่นายทหารได้ลูกชายจากนายแหม่มแล้วอ้าวนี่แกรู้ด้วยหรือ ชา ย, ยันลืมตาพโพลงเจ้าหน้าอย่างงงงงเงซายไม่ตอบแต่กล่าวต่อมาว่าเป็นที่น่าปิติที่ชีวิตของนายทหารและน้องสาวแม่มาเรียของผมดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นสุขเสียดายเพียงแต่ในข้อที่ว่าเธอไม่สามารถจะร่วมเดินทางมาด้วยในครั้งนี้และนายทหารก็มองเห็นกับตาแล้วว่าสำหรับสังปาของมาเรียนั้นผมได้เลี้ยงดูฟูมฟักเขาไว้ที่นี่เป็นอย่างดี ตามที่ได้ให้สัญญาไว้ได้โปรดขอเวลาผมสักครู่ก่อนว่าแล้วก็เคลื่อนต่อมาอย่างแถวของพรานพื้นเมืองของระพินและขยินอันยืนเกาะกลุ่มกันอยู่เบื้องหลังพวกนั้นพากันยืนจ้องนิ่งด้วยตาที่เบิกกว้างอยู่เช่นนั้นตบไหลบุญคำก่อนลุงคำฉันไม่เคยลืมวิชาอะไรต่ออะไรที่ลุงเคยสอนเคยด่าดฉันไว้เลยคิดถึงลุงมากเหลือเกิน ทำไมลุงจ้องมองดูฉันเหมือนมองเห็นผีอย่างนั้นเอ้ยเอ้ยแงซ า, ายพระธุดงค์ท่านไม่ได้สอนข้าวไ ว, ว้ว่าว่าถ้าเจอพระเจ้าแผ่นดินปลอมตัวกลับมาเป็นไอ้กรเรียงจอมกะล่อนอีกครั้งข้าควรจะพูดด้วยยังไงทำอะไรไม่ถูกไปหมดแล้วแงซ า, ายยกมือขึ้นปิดปากหัวเราะ แมมร้ายจริงลุงคำนี่เล่นเอาประโยคที่ฉันแกล้งพูดติดปากในครั้งนั้นมาเล่นงานฉันอย่างนี้เชียวหรือความจริงฉันลืมไปหมดแล้วว่าฉันเคยกระล่อนกับลุงไว้ยังไงมั่งสำหรับจันร์เกิดเสยและข ย, ยินแงาซายกล่าวขึ้นพร้อมรอยยิ้มชื่นชมว่าเพื่อนยากสหายพรานของข้าทั้งหลายจนตายข้าก็ไม่มีวันลืมพวกเจ้าไปได้ ในวันคืนเก่าก่อนที่เราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาทุกสภาพขอให้คิดว่ามรากรกนครคือบ้านอีกแห่งหนึ่งของพวกเจ้าทุกคนเถิดทรงพระเจริญพระเจ้าค่าเกิดผู้เรียนหนังสือมากกว่าทุกคนในหมู่กล่าวถวายพระพรขึ้นแล้วพากันยืนระวังตรงสำรวมตัวกันอยู่แต่สีหน้าแววตาแสดงความปรบับปลืม้มล้นพน คนสุดท้ายที่อดีตแงซ า, ายเดินตรงเข้าไปหาคือครูพรานเท่านานอินผู้ยืนนิ่งน้ำตาไหลเป็นทางอยู่ด้วยความตื้นตันเมื่อถึงเจ้าอดีตเกรเี่ยงพเนจรก็ค่อยๆหยิบเอามืออันสันเทาของแกขึ้นมาจูบเบาๆแล้วแนบไว้กับแก้มกล่าวแผ่วเบาว่าพ่อลุงนานอินพ่อลุงมีบุญคุณต่อข้าเหมือนเป็นพ่อบังเกิดกล่า ถ้าไม่มีพ่อลุงจะไม่มีแง่ทรายและไม่มีจักราทิราชแห่งมรกนครขอให้พ่อลุงจงมีอายุมั่นขวัญยืนเถิดแง่ทรายจ ะ, ะระลึกถึงพระคุณของพ่อลุงไปจนกว่าชีวิตจะหาไหมจำเรินจำเรินเถิดลูกเอ้ยนั้นอินพึมพำออกมาได้แค่นั้นแกก็ร้องไห้ด้วยความตื้นตันจนสุดที่จะระงับได้แง่ทรายถึงเข้ามากอดประทับไว้กับอก กระซิบพูดอะไรกับแก่นานกว่าทุกคนต่อมาจึงถอยออกมายืนเด่นอยู่กลางวงแล้วหันมาทางเมยาณีกับขุนพลอรชุนน้ำเสียงมีกังวล น, นั้นกล่าวว่าข้าขอขอบใจท่านขุนพลอรชุนและราชินีเมยาณีแห่งข้าที่ได้ปฏิบัติภารกิจอันได้มอบหมายให้ไปเป็นที่ลุล่วงเรียบร้อยทุกประการอรชุนก้มกายลงถวายคำนับ เมยานีย่อวรากายลงกราบทูลขึ้นก็ด้วยพระบารมีของพระองค์ที่หม่อมชันและท่านบิดาสามารถจับปฏิบัติภารกิจลุล่วงไปได้ตามพระบรมราชโ อ, องการทุกประการบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงละจากสมาธิยานและเปลี่ยนฉลองพระองค์ได้เสียทีหม่อมชันได้จัดเตรียมมาเพื่อถวายแล้วเพคะ จั ก, กราทิราชย้มสวนน้อยๆ ย, ยกหัดขึ้นโบกเดี๋ยวก่อนขอเวลาข้าอีกสักครู่เถิดให้ข้าได้ทักทายปราศัยกับอาคันตุกะคณะใหม่บ้างเถอะแล้วก็เบือนพระพักไปทางพรานใหญ่รพินไพรวันพระอาคับกริยาเคร่งขึมขึ้นเล็กน้อยแต่พระพักยังเจือไปด้วยรอยย้มสวนผู้กองครับเดี๋ยวนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมควรจะได้รู้จักกับคณะเจ้านายใหม่ อันเป็นอาคันตุกะอีกชุดหนึ่งที่เดินทางมาภายใต้การนำของผู้กองและคงจะไม่มีใครสามารถจะแนะนำพวกเขาเหล่านั้นได้ดีไปกว่าตัวผู้กองเองเมื่อนั้นรพินไพรวันซึ่งยังเกาะกลุ่มมือของดารินอยู่นับตั้งแต่จักรราชทรงมือของแต่ละฝ่ายไปให้จับกันไว้ก็เคลื่อนออกมาข้างหน้าอาวุโสที่สุดของคณะคือดอร์สแตนลีย์ถูกเบิกตัวแนะนาขึ้นก่อน จักรราษยื่นพระหัตต์ออกไปให้สัมผัสสแตนลีย์จับพระหัต์พร้อมกับโค้งคำนับถวายการเคารพยินดีที่รู้จักท่านดรสแตนลีย์และเสียใจด้วยที่ทรัพย์สินของประเทศท่านต้องพินาศเสียหายและสูญหายจนเป็นเหตุให้พวกท่านต้องลำบากยุ่งยากในการติดตามหาจักรราชทรงรับสั่งขึ้นด้วยน้ำพระเสียงอันก้องกังวานชัดเจนเช่มช้า เป็นพระมาหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์ทุกคนที่ได้ล่วงล้ำเข้ามาจนถึงดินแดนมหัศจรรย์อันวิเศษสุดนี้หัวหน้าคณะอเมริกันกล่าวถวายบังคมทูลอย่างสุภาพนอบน้อมเต็มไปด้วยจิตวิทยาอันดีเยี่ยมคนต่อมาคือคิดท่านเป็นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งที่ต้องลำบากเดินทางร่วมมากับคณะด้วย ทรัพย์สินของพวกท่านอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่มีสิ่งใดสูญหายไปทั้งสิน้นเพียงแต่ว่ามันได้อับปางพินาศไปเท่านั้นกษัตริย์หนุ่มแห่งมรกรนครทรงปราศัยกับคิดเรามีสิทธิ์ที่จะดำเนินการใดๆกับทรัพย์สินของเราหรือไม่พระเจ้าค่ะนายคิดฉวยโอกาสทูลถามทันทีจักรราศวนเบาๆเรื่องนั้นเราจะร่วมหาเรือกันภายหลัง ท่านอย่าได้กังวลไปเลยตันบทเพียงแค่นั้นก่อนแล้วจักรราชก็พยักพักลงนิดหนึ่งกับรพินเหมือนจะเตือนให้เบิกตัวอคันตุกะชุดนี้เข้าเฝ้าต่อไปตามรายบุคคลน้องชายเป็นเลือดเนื้อเชื้อชาติเดียวกันกับพรานใหญ่รพินไพรวันกับเชิดวุธซึ่งมาถวายคำนับอยู่ตรงหน้าจักรราชเอื้อนเอ่อยออกมาด้วยความปราณี การเดินทางมาในครั้งนี้ย่อมถือว่ามาปฏิบัติภารกิจลับให้แก่ประเทศชาติด้วยความเสียสละยิ่งเราขอชมเชยขอให้ทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์จะเดินทางมาไม่ถึงมรกรนครแห่งนี้ถ้าหากไม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ผู้ซึ่งพวกเราได้มาล่วงรู้ความจริงภายหลังว่า ได้ทรงประทานความสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาด้วยอิทธิยานบารมีของพระองค์ที่ทรงเพียรบำเพ็ญให้แก่พวกเราซึ่งแรงกล้ามีอิทธิพลยิ่งเพราะพวกท่านได้เลือกพรานนำทางที่ถูกต้องแล้วถ้าปราศจากการนำของข้าพูนี้พวกท่านจะไม่มีโอกาสมา ถ, ถึงที่นี่ได้เลยจะไม่มีวันมาถึงเบลเป็นอันดับที่สก้าวออกมาเผชิญพระพัก ย่อกายถวายเคารพพร้อมทั้งจ้องพระภาคของจักรราชรไม่วางตาหลนมองอย่างพิศวงตลึงลานนับตั้งแต่แรกเหยียบย่างเข้ามาแล้วถึงแม้ว่าเธอจะเป็นสตรีรูปงามเธอก็เป็นผู้มีความเก่งกล้าสามารถมากที่ร่วมเดินทางมากับคณะในครั้งนี้และแม้จะเป็นหน้าที่ของเธอโดยตรงก็ตามเราก็อดที่จะขอขอบใจเสียมิได้ที่ได้ใช้วิชาชีพทางแพทยาศาสตร์ช่วยเหลือรพินไพรวัน จนเต็มความสามารถในทุกครั้งที่เขาประสบโรคภัยจักรราทรงตรัสแช่มช้าเอ๊ะพระองค์ทรงทราบได้อย่างไรเพคะเบลทูลถามขึ้นในทันทีสีหน้าฉงนตลอดทุกพฤติการระหว่างการเดินทางของพวกเธอเรารู้เห็นอยู่แล้วทุกขณะเห็นลึกลงไปจนแม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิดของแต่และบุคคล แม่ผมแดงกระเดือกน้ำลายลงคออย่างแสนฝืดยิ้มออกมาจิดจืดหลอนอยากจะทูลถามตอบโต้ต่อไปแต่กษัตริย์ผู้ทรงโฉมแห่งมรกนครพยักพักให้เคลื่อนผ่านไปและเมื่อนั้นคริสตีนาอันเป็นคนสุดท้ายของคณะจึงก้าวแช่มช้าเข้ามาหลอนหลบสายพระเนตรคมกริบที่จ้องเขม็งมาก่อนแล้วหน้าแดงซ่านย่อลงถอนสายบัวเธอไม่ใช่อเมริกันแท้แ่ใช่ไหม จักรราศไม่ได้ละสายเนตไปจากวงหน้าและเรือนกายของหลอนเลยขณะที่มีรอยแย้มสวนน้อยๆปรากฏขึ้นเรียวโอดเพคะและหม่อมฉันจะไม่กราบทูลถามด้วยว่าทรงทราบได้อย่างไรเธอฉลาดเกินกว่าที่จะต้องถามเช่นนั้นมีสิ่งอันดีงามอยู่หลายๆสิ่งแฝงอยู่ในอนุสติส่วนลึกของเธอเพียงแต่ว่าเธอจะนาขึ้นมาใช้หรือไม่เท่านั้น สุภาษิตของชาวมรดกนครกล่าวไว้ว่าไม่มีผู้ใดที่จะประสบความสำเร็จหรือชนะไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เธอตระหนักไว้ด้วยคริสสะบัดปลายผมที่ปลิวลงมาปกหน้าผากให้กระจายขึ้นและเงยขึ้นประสานเนตรจั ก, กรราษในสายตาตรงเป็นครั้งแรกพร้อมกับยิ้มออกมานิดหนึ่งยืดกายตระงานเต็มส่วนสัตเพคะ หม่อมชั้นตระหนักดีมานานแล้วในข้อนี้พระองค์เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เหนือระดับมนุษย์ปุถุชนไปมากทีเดียวในข้อไหนา ย, ยานแห่งการรับรู้รับทราบในสิ่งที่สายตาภายนอกมองไม่เห็นศีลและสัตว์ประกอบด้วยการเพียนบำเพ็ญภาวนาทำให้บังเกิดตะบะยานบารมีต่อไปภายภาคหน้า เธอจะลองเพียนปฏิบัติดูบ้างก็ได้และมันจะบังเกิดสิ่งนี้ขึ้นกับตัวเธอเองจงลืมอดีตเสียให้หมดสิ้นและเพียนปฏิบัติสินเสืยอใหม่จะโดยหลักเกณฑ์หรือหลักการของละทีใดก็ได้ทั้งสิ้นแล้วเธอจะมีกุศลบารมีขึ้นเองเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงแนะนำหม่อมชั้นจะขอรับไว้เพื่อพิจารณา หม่อมชั้นขอพระบรมราชาอนุญาตทูลถามอะไรสักอย่างหนึ่งจะได้ไหมเพคะเชิญตั้งแต่หม่อมชั้นเกิดมาในโลกนี้ยังไม่เคยพบเห็นผู้ที่เพียพร้อมสมบูรณ์และมีพระสิริโฉมงดงามเยี่ยงเทพบุตรอันควรเป็นภาพปั้นเหมือนเช่นพระองค์เลยจักรราชเลิกพระขนงขึ้นน้อยๆ ย, ยิ้มมุมโอดความงามของสรีระ หาใช่ความงามที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบไหมแต่ต้องงามที่นี่ทรงตบเบาๆไปที่อุระของตนงามที่หัวใจจึงเป็นความงามที่ปราศจากราคีใสสะอาดบริสุทธิ์แท้จริงเช่นเดียวกับเธอเช่นนั้นรูปโฉมงดงามบาดใจชายยิ่งนับแต่ดวงใจหม่อมชั้นสกรปรกเต็มไปด้วยราคีเช่นนั้นหรือเพคะ หล่นถามสวนออกไปอย่างอาจหารจักราสวนทุ้มลึกเรารู้ว่าเธอแก้ไขได้ชำระล้างมันออกไปเสียด้วยหลักธรรมศีลและสัตว์อนาคตข้างหน้าของเธอคือสตรีผู้ทรงศีลอันประเสริฐสุดและบาปเวรทั้งหลายที่เคยก่อมาแล้วทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติจะถูกชดใช้จนหมดสิ้นไปผ่านพ้นไดจากห่วงโซ่แห่งกรรม ดวงตาของคริสแห้งผากหน้าขาวเผือดลงชั่วขณะเดียวก็เป็นปกติเหมือนเดิมปรากฏรอยยิ้มเย็นเยือกบนริมฝีปากหม่อมชั้นมีความศรัทธาเชื่อมั่นต่อพระองค์อย่างสูงสุดเสมือนได้พบกับพระเจ้าหรือเทพเจ้าหม่อมชั้นจะมีโอกาสได้เฝ้าเป็นการส่วนตัวเพื่อปรึกษาทางธรรมะจากพระองค์ในโอกาสต่อไปได้บ้างหรือไม่เพคะ จักรราษเจ้าผู้ปกครองอาณาจากักรมรกรนครย้มสวนกว้างออกน้อมเสียนลงน้อยๆเนินบช้าละมุนละม่อมไปหมดทุกอิริยาบถอันงามสง่าสมชาติขัติยะถ้าเธอมีความประสงค์เช่นนั้นอย่างแท้จริงก็ไม่น่าจะมีอะไรขัดข้องเพราะอย่างน้อยพวกเธอทั้งหมดก็คงจะต้องพำนักอยู่ในอาณาจากักรนี้เป็นเวลาพอสมควรก่อนที่จะลาจากไปเช่นนั้นไม่ใช่หรือ ประโยคหลังดูเหมือนจะเป็นคำถามคริสนิ่งอึง้งได้แต่จ้องพระพักแน่วนิ่งหลอนมีความรู้สึกที่บอกกับตนเองว่าภาพปั้นของเทพบตทกรีที่หลอนเคยเห็นมาก่อนแล้วนั้นพ่ายต่อโฉมอันงามสงา่าเพียบพร้อมไปด้วยสเสน่ห์และจริยานุวัตอันนุ่มนวลของกษัตริย์หนุ่มผู้นี้อย่างเทียบกันไม่ได้เลยพรานใหญ่ อาจเคยเล่าให้หล่อนฟังถึงเจ้าคนใช้พิเศษที่มีนามว่าแงซายแต่เขาก็เล่าให้ฟังถึงความเป็นมาโดยพิสดารของบุรุษผู้นี้โดยคร่าวๆเท่านั้นหาได้บอกถึงแก่นแท้ความจริงให้ทราบเลยไม่หลอนไม่อยากจะเชื่อว่าในโลกนี้จะมีชายที่มีรูปโฉมทั้งงามทั้งสง่าเหมือนภาพในจินตนาการอย่างที่ตนเองจ้องพินิจอยู่ในขณะนี้นาซิัส ถ้าแม้ว่ามีร่างกายและวิญญาณขึ้นจริงก็คงพ่ายโฉมผู้นี้อย่างราบคาบภายในใจของหล่อนราพึงเช่นนั้นจักรราษสั่นเสียงไปมาน้อยๆเป็นเชิงปฏิเสธเหมือนจะอ่านทะลุเข้าไปถึงความคิดของหล่อนรูปโฉมนั้นเป็นแต่เพียงเปลือกนอกเท่านั้นคริสและเราก็หาใช่นาซิซั ส, สหน้าโง่องนั้นไม่พระองค์ ทำไมถึงอ่านคำพูดในใจของเธอได้ส่งต่อถ้อยคำให้ด้วยสุรเสียงที่อ่อนโยนราบเรียบเหมือนเดิมดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมฉันหาใช่สิ่งลึกลับอะไรที่เธอจะต้องตื่นเต้นในเรื่องเช่นนี้ไม่มันเป็นเพียงศาสตร์เบื้องต้นของโยคศาสตร์เท่านั้นแล้วแล้วพระองค์ทรงทราบหรือไม่ว่า พวกเราอเมริกันที่มาด้วยกันทั้งหมดนี้ล่วงล้ำเข้ามาในดินแดนของพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นที่ตั้งมาด้วยความเป็นมิตรและคาระวะคริสถามออกมาโดยเร็วเรารู้เราเข้าใจเพราะฉะนั้นเราจึงเปิดทางให้อย่างไรละ่ะขอให้พวกเธอทุกคนอย่าได้มีข้อกลิ่งเกรงหรือกังวลอะไรไปเลยที่นี่เป็นมิตรต่อบุคคลที่เป็นมิตรและให้เกียรติเรา ฉะนั้นจึงขอกล่าวอีกครั้งว่าจงทำตัวทำใจให้สบายเถิดในอาณาจักรประหลาดแห่งนี้คริสติน่าย่อกายลงอย่างคารวะอีกครั้ง พ, พึมพำว่าเพคะเราทุกคนรับทราบเป็นการดีมากรับสั่งเป็นประโยคท้ายสุดกับคริสตินาเพียงแค่นั้นจักรราชก็กวาดพระเนตรไปยังบรรดาพวกลูกหาบทั้งหลายทั้งสองกลุ่มยังยืนรวมกันอยู่รวมทั้งกะเหี่ยงอูทะ พะโต้ด้วยทรงย้มยิ้มให้รับสั่งประกาศขึ้นว่าขอให้พวกเจ้าทุกคนจงพำนักอยู่ที่นี่ให้สุขสบายเหมือนเป็นถิ่นกำเนิดของพวกเจ้าเองพวกเจ้ามีบุญวสนามากแล้วที่ได้มาถึงดินแดนแห่งนี้ดินแดนที่ยากนักจะมีใครเดินทางมาได้ถึงทุกคนล้วนเป็นแขกของข้าทั้งสิน้นเอาละ่ะรอกันอยู่ที่นี่สักครู่ให้ข้าได้ทาธุระส่วนตัวก่อน พรางก็ดำเนินตรงไปทางเมยานีผู้ยืนเหมือนจะคอยฉลองพระบาทอยู่ก่อนแล้วยกหัตถ์ขึ้นแตะไหลนางกระซิบรับสั่งสั้นๆเมยานีก็ออกเดินนำเสด็จไปทางคูหาทางด้านหนึ่งของบริเวณอันเป็นมหาสุสานก่อนพระไปพระองค์ได้หันมาทางรพินไพรวันแล้วรับสั่งขึ้นหน้าตาเฉยว่าเป็นเวลาหลายเดือนทีเดียวนับตั้งแต่เครื่องมาตกอยู่ที่นี่ ผมอยู่ในชุดนี้โดยไม่ได้ผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยรู้สึกเหม็นสาบตัวเองเต็มทนขอเวลาให้ผมไปแต่งองค์ทรงเครื่องชำระสะสางโตสักหน่อยนะครับคงไม่ช้านักหรอกระยะเวลาระหว่างนี้ขอให้ทุกคนทำตัวให้สบายและถ้าจะเข้าไปเยี่ยมศพของท่านกุตมะก็ได้ยังคงประดิษฐานอยู่ที่นั่นพรานใหญ่ก้มศรีรษะลงนิดหนึ่งบอกเรียบๆว่า เชิญเสด็จพระเจ้าค่ากะกษัตริย์หนุ่มขมวดพระขนงทำป้องพระโสดตรัสถามเสียงสูงมาว่าผู้กองว่ายังไงนะฟังไม่ถนัดข้าพระองค์หมายความว่าเองจะไปไหนก็ไปเถิดวะแงซายพวกฉันจะรออยู่ที่นี่จะชำระสะสางขัดสีขี้ใครนานสักเท่าไหร่ก็ตามสบายไม่หนีไปไหนก่อนหรอกมินพระบรมเดชาลุภาพเฮคะ ควรจะติดคุกมรกรกนครสักห้าปีเป็นอย่างน้อยดารินร้องออกมาโดยเร็วจักรราชพยักพระพักผู้กองปากเสียวรนานแล้วครับพี่สาวผมขอฝากเข้าไว้ด้วยอย่าให้เข้าเอะอะอารวาสหรือจุนจ้านไปในทิศทางไหนทุกคนยิ้มบ้างก็หัวเราะครืนจักรราหรีพระเนตรให้ระพินนิดหนึ่งแล้วเสด็จตามหลังเมยานีรับพระวรากายไปในบัตรนั้น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 นายคีดบอกห้าวๆมาเบลคอนขักดามาอุบอิบว่าเครซี่ไอ้บ้าสแตนลีย์ปราดเข้ามาหาเชาืาบอกอย่างตื่นเต้นว่ารัพินเคยมีความจำเป็นและจำใจเล่าให้เราฟังถึงคนรับใช้ลึกลับของพวกเขาที่มีนามว่างแงซายแต่เขาก็ไม่ได้บอกอะไรเราให้ละเอียดเลยเขาคงจะรอให้พวกคุณได้มาเห็นด้วยตาตนเองกระมังครับ เชษฐาตอบยิ้มยิ้มพระองค์ไม่เหมือนกับกษัตริย์ในดินแดนลี้ลับอะไรเลยเหมือนคนที่เจริญแล้วทุกอย่างทําไมถึงเป็นเช่นนั้นในครอบของแง่ายนั้นที่แท้เขาก็คือคนที่มีการศึกษามาอย่างดีเยี่ยมแล้วชายันเป็นคนตอบแทนให้และในครอบของจักราทิราชเขาก็สแสวงหาความรู้ศึกษาใน ส, รสาร ศ, ศาสตร์ ที่เราไม่อาจร่ำเรียนหรือล่วงรู้ไปถึงพวกคุณอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่าเขาเป็นกษัตริย์ของดินแดนที่ห่างไกลอรารยธรรมจากโลกภายนอกนี่ดีว่าบนแผ่นดินนี้ไม่ว่าเราจะพูดภาษาใดก็สามารถจะเข้ากันได้ด้วยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินที่ใกล้ชิดกับเทพเจ้าแต่ถ้าออกนอกแผ่นดินนี้ไปแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษกับเขาเขาก็จะตอบเป็นภาษาอังกฤษและถ้าพูดฝรั่งเศส เขาก็จะตอบเป็นฝรั่งเศสเขารู้จักไอสไตล์รู้จักดาวินเท่าๆกับรู้จักเชคสเปียร์ไม่น้อยกว่าพวกคุณโอ้มายกอดสแตนลีย์และคิดอุทานออกมาพร้อมกันทำตาเหลือกเบลนั้นเป่าลมพรูออกมาจากปากหันไปมองหน้าคริสติน่าผู้ยังยืนหัวคิ้วขมวดน้อยๆ อ, อ, อย่างครุ่นคิดหนักแล้วเดินเข้าไปใกล้รพินผู้ยืนจับมือเคียงคู่อยู่กับดาริน หล่อนพูดกับดารินเบาๆว่าขออนุญาตนะน้อยฉันอยากพูดอะไรกับครูรพินสักนิดเชิญตามสบายจะให้ฉันเดินออกไปหาก่อนไหมดารินบอกยิ้มๆอย่างอารมณ์ดีเธอไม่ต้องไปไหนหรอกน้อยฉันขอพูดต่อหน้าเธอนี่แหละไม่มีความลับอะไรอีกฝ่ายบอกอย่างสนิทสนมและเรียกนามหล่อนว่าน้อยตามที่ดารินสั่งไว้ก่อนโดยสนิทปากพลางหันไปทางดาริน ครูคะหลอนเรียกเบาๆมีอะไรหรือคริสจอมพรานย้อนถามมาอย่างอ่อนโยนยิ้มให้ยังไม่ปล่อยมือดารินครูไม่ได้บอกกับฉันหรือพวกเรามาก่อนเลยเกี่ยวกับหลอนมองไปทางคูหาที่จักรราชรรับพระวรกายเข้าไปทุกสิ่งฟังเป็นเรื่องโกหกเหลือเชื่อทั้งนั้นถ้าหากไม่ได้มาเห็นกับตาผมจึงไม่ได้บอกอะไรกับคุณ หรือพวกคุณมากนักสังเกตดูว่าพระองค์ทรงรักและสนิทสนมกับคุณเหลือเกินรักเหมือนพี่ชายร่วมสายโลหิตทีเดียวครับถูกต้องเรามีอะไรต่ออะไรเกี่ยวพันกันลึกซึ้งมากเกินกว่าที่จะบอกได้ก่อนนี้เราเคยเป็นคู่ปรับกันในทุกด้านเหมือนกันแต่ในที่สุดผมก็เป็นฝ่ายแพ้ใจเขาสังเกตดูคุณมีอะไรกังวลมากหลือเกินมีอะไรหรือคริส ประโยคหลังรัพินถามเสียงห่วงใยรัพินจะช่วยคุณได้ทุกอย่างในมรกตนครแห่งนี้ดารินบอกมาอีกคนอย่างปราณีรวมทั้งตัวเธอเองด้วยน้อยกษัตริย์จักรจจากราธิราชทรงให้ความรักอย่างสนิทใจต่อเธอและครูรัพินมากที่สุดคือว่าฉันว่าไปเถอะคริสผมและคุณหญิงดารินพร้อมที่จะรับฟังคุณอยู่แล้ว พระองค์ทรงล่วงรู้อะไรไปหมดทุกอย่างทรงมีทิพยเนตรทิพ ย, พยจักสุทิพย า, ยานก็พระองค์ทรงเป็นสิทธิ์มีอาจารย์และทรงศึกษาในศาสตร์ลี้ลับสามารถติดต่อกับเหล่าเทพได้ประกอบกับบารมีในชาติก่อนที่สั่งสมมาด้วยคุณประหลาดใจมากนักหรือและถึงแม้จะทรงรู้อะไรเกี่ยวกับพวกเราทุกคนพระองค์ก็ไม่ได้ทําให้พวกเราเสียหายเลยโดยเฉพาะสําหรับตัว ค, คุณเองก็ไม่ได้ประพฤติผิด คิดไม่ชอบอะไรนี่ตลอดระยะเวลาที่เดินทางมาด้วยกันนี่เป็นห่วงอะไรอีกหรือฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่หมายความถึงว่าถ้าฉันจะขอถวายตัวเป็นสิทธิ์ของพระองค์ในขณะที่ฉันก็มอบตัวเป็นสิทธิ์แก่คุณไปแล้วมันจะเป็นการผิดสัจีลอะไรหรือไม่ขึ้นชื่อว่าสิทธิ์แล้วย่อมมีครูบาอาจารย์ได้หลายคนสิทธิ์ที่ดี ก, ก็ต้องเพียรแสวงหาครูบาอาจารย์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความฉลาดรอบรู้ของตนนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดเลยแล้วแล้วพระองค์จะทรงรับชั้นเป็นศิษย์ไม่นี้ถ้าคุณมีความตั้งใจจริงศรัทธาจริงเหมือนเหมือนกับที่คุณได้แสดงความศรัทธาตอบผมมาแล้วพระองค์คงไม่รังเกียจหรอกในการที่จะเปิดโลกที่สว่างและสันติสุขแห่งดวงใจของคุณทรงรับสั่งไว้แล้วไม่ใช่หรือครูต้องช่วยฉันนะในเรื่องนี้ แน่นอนคุณยังมีเวลาที่จะได้ใกล้ชิดและศึกษาเรียนรู้จากพระองค์อีกมากทีเดียวแล้วราชินีเมยานีชื่อว่าพระราชนินีคงไม่มีข้อทรงรังเกตยียดอย่างใดถ้าคุณศรัทธาต่อกษัตริยจักราชในฐานะครูบาอาจารย์เหมือนเหมือนเช่นที่คุณได้ศรัทธาและศึกษาเฉพาะด้านวิชาการกับผมคริสถอนหายใจออกมานิดหนึ่ง พ, พึมพำฉันรู้สึกว่า ฉันพอจะมองเห็นแสงสว่างแห่งชีวิตแล้วถ้าแม้ว่าชีวิตของฉันยังจะยืนยาวต่อไปภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจนี้บอกตามตรงฉันเครียดเหลือเกินเครียดไม่น้อยไปกว่าคุณหรอกตั้งแต่เดินทางมาในครั้งนี้เพิ่งจะรู้สึกปลอดโปร่งและเป็นสุขขึ้นเมื่อได้เผชิญพระพักกับจกกักราธิราชนี่แหละแม่ผมทองกล่าวแผ่วเบาอย่างน่าสงสารดารินเอื้อมมือไปจับมือคริสมาบีบไว้แน่น ฉันเข้าใจและเห็นใจเธอมากคริสฉันจะช่วยทูลจักรราชอีกคนหนึ่งเพื่อให้พระองค์เปิดโอกาสให้เธอได้เฝ้าอย่างใกล้ชิดเป็นการส่วนตัวเธอดีต่อฉันมากน้อยไม่ว่าเราจะเพิ่งพบตัวจริงของกันและกันคริสพึมพำรรอยู่ในลำคอบีบมือตอบดารินแล้วทันทีนั้นก็โผลเข้ากอดไว้น้ำตาไหลยอย่างสุดที่จะสะกดไว้ได้ ดารินรูปแผ่นหลังของแม่อเมริกันผมทองโฉมงามด้วยสัมผัสแห่งความเมตตาเปี่ยมล้นลืมมันเสียเถิดคริสเธออาจรู้สึกว่าสูญเสียแต่เธอก็ได้มาแล้วอย่างน้อยก็ได้ครูดีคนหนึ่งที่จะมีความปรารถนาดีต่อลูกสิ้์ตลอดไปเขาคนนั้นคือจอมพรานรพินไพรวันผู้ซึ่งโดยแท้จริงแล้ว เขาก็เป็นแต่เพียงปุถุชนธรรมดาคนคนหนึ่งเท่านั้นแต่ทุกคนประทับใจในความมีคุณธรรมและความเป็นสุภาพบุรุษของเขาคุณทั้งคู่เป็นบุคคลที่เหมาะสมต่อกันอย่างที่สุดไม่มีชายหญิงคู่ใดที่จะเหมาะสมกันยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วขอสดแสดงความยินดีจากใจจริงน้อยที่เธอเลือกชายคนนี้เธอเลือกไม่ผิดหรอกและสมควรแล้วที่จะต้องติดตามเข้ามา การพูดกันอย่างเป็นความลับระหว่างคนทั้งสามสะดุดลงเพียงแค่นั้นเมื่อพักพวกทั้งสองฝ่ายอีกหลายคนได้พากันเดินตรงเข้ามารวมกลุ่มคริฟรีบพ่าออกจากอ้อมกอดของดารินและรีบเช็ดน้ำตาโดยเร็วก่อนที่ใครจะเห็นพูดไปในเรื่องอื่นๆกลบเกลื่อนเสีย เชษฐาเชิญชวนทุกคนเข้าไปเยี่ยมคำนับศพของขุนพลกุตมะและเล่าประวัติให้ฟังสั้นๆโดยมีผู้เท่าอารชุนมาเป็นผู้บรรยายให้ทราบด้วยจากนั้นทุกคนก็เข้าไปคาระวะที่บรรดาหีบพระศพของบุพการสัตย์แห่งราชวงศ์เทพ อนุชาเป็นคนอธิบายให้ฝ่ายอเมริกันทั้งหมดทราบว่าผลทางด้านใดที่จะนำเข้าไปสู่ขุมทรัพย์สมบัติอันมีค่ามหาศาลของพระอุมาเทวีที่พวกตนได้เคยผ่านเข้าไปเยี่ยมเยือนมาก่อนแล้วมีชามินานต่อมาจักราธิราชและราชินีเมญานีก็เสด็จออกมาปรากฏพระวรากาอีกครั้งในครั้งนี้ได้สลับูสาสีขาวในลักษณะผู้ทรงศีลออกแล้วทรงด้วยชุดกษัตริย์ ยามเสด็จออกประพาสเยี่ยมเยินชนบททุกคนต่างถวายความเคารพอีกครั้งเราขอเชิญให้ทุกท่านกลับคืนเข้าสู่ราชฐานมรดกนครนบัตดนี้ทรงประกาศยิ้มยิ้มขึ้นกับทั้งหมดสำหรับฝ่ายอเมริกันทุกท่านขอให้ระงับความเร่าร้อนใจในเรื่องซาเครื่องบินซึ่งมาตกอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ไว้ชั่วขณะก่อนเพราะเรายังมีเวลากันอีกมาก เหลือเฟือทีเดียวสำหรับคืนนี้เราขอเลี้ยงรับรองทุกท่านให้สมเกียรติแล้วก็สวนออกมาเบาๆรับสั่งต่อมาด้วยสำนวนของโลกภายนอกว่าแกรนด์ดินเนอร์ในราชฐานมรกรนครผมขอรับรองว่ายิ่งใหญ่ไม่แพ้โฮเตลหรูๆในเมืองของท่านหวังว่าคงจะไม่มีใครขัดข้องเราจะคุยกันให้สนุกในคืนนี้ ฝ่ายอเมริกันทุกคนตะลึงงานไปอีกครั้งแล้วสแตนลีย์ก็พูดดังๆขึ้นว่าผมดีใจที่คุณพูดจานในภาษาของโลกอรารยธรรมภายนอกและเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองว่าคุณเป็นคนมีอารมณ์ขันอยู่ด้วยไม่น้อยเลยอารมณ์ขันทำให้คนเราอายุยืนอารมณ์บูรอยู่เป็นนิดอย่างผู้กองระพินทำให้แก่เร็วจักรราตตอบมาปนหัวเราะกาว